ญาติโยมถามว่านั่งข้างบนได้บ่างได้เนี่ยข้างบนนี้นั่งได้แต่ไม่ค่อยมีใครมานั่งกันเหมือนนักเรียนกลัวครูไม่กล้ายอยู่หน้าห้องฉั้นชอบไปอยู่ข้างหลังห้องจะได้คุยกันได้จะได้เล่นกันได้ถ้าอยู่หน้าห้องนี้ต้องนั่งเฉยๆต้องตั้งใจฟังเพราะครูเห็นหน้าเห็นตานั่งได้นะไม่ได้ห้ามนั่งได้ทุกแห่ง สะดวกแบบไหนก็นั่งเอาที่นี่เราไม่มีรูปแบบตายตัวนั่งเสือก็ได้นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้านั่งพับเพียบไม่ได้นั่งก็ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้อยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั่งนั่งยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าตามตามธรรมเดีถ้า เวลานั่งกับพื้นเรามักจะนั่งพับเพียบกันเวลาฟังเทศฟังธรรมท่าคัดสมานี้เอาไว้สําหรับนั่งกินข้าวหรือนั่งสมาธิแต่เวลาฟังเทศฟังธรรมกันนี้เราจะนิยมนั่งในท่าพับเพียบครูบาอาจารย์ท่านเวลาแสดงธรรมท่านก็นั่งพับเพียบลูกศิษย์ลูกหาเวลานั่งฟังก็ นั่งในท่าพระเพียเพราะเป็นท่าที่สวยงามท่าที่แสดงความเคารพท่าขัดสมาธิเป็นท่าสบายเช่นเวลารับประทานอาหารก็นั่งขัดสมาธิหรือเวลานั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิไปแต่ที่นี้ก็ไม่ได้บังคับเพียงแต่บอกให้ทราบไว้ว่าทำเนียมประเพณีเป็นยังไงเพราะสมัยนี้ ญาติโยมอาจจะไม่ได้เคยเข้าวัดตั้งแต่เด็กถ้าเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็จะรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติกันในวัดแต่เวลาไม่ได้เข้าวัดมาเข้าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลยไม่รู้จักขนบประเพณีต่างๆเช่นการใส่บาตรก็ไม่รู้ว่าควรจะถอดรองเท้า เวลาใส่บาทนี้ไม่ควรที่จะใส่รองเท้าต้องถอดรองเท้าแล้วก็อย่าไปยืนบนรองเท้าถอดก็ต้องถอดต้องยืนกับพื้นถ้ายืนกับรองเท้าก็เหมือนกับไม่ได้ถอดหลวงตาท่านเคยสอนโยมที่ใส่บาทแล้วไม่ยอมถอดรองเท้าหลวงตาท่านบอกว่าเท้าเปื้อนมันล้างง่ายแต่ใจเปื้อนมันล้างยาก ใจเปื่อนคือใจที่ไม่มีความเคารพเนี่ยขาดความเคารพการทำบุญทำทานนี่เราไม่ได้ให้ขอทานการใส่บาตรนี่เราไม่ได้ให้ขอทานเราให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้มีมีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมะสูงกว่าเราเราควรจะให้ด้วยความเคารพเนี่ย พอจะได้บุญหลายต่อด้วยกันได้บุญจากการทำทานแล้วยังได้บุญจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะเป็นคนที่น่าดูเป็นคนสวยงามคนเราไม่ได้สวยงามที่หน้าตาไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรร์แต่เราสวยงามด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมอันสงสง คุณธรรมมันสูงส่งอันหนึ่งก็คือการมีสัมมาคารวะแม้แต่พระอริยบุคคลท่านก็มีสัมมาคารวะท่านไม่ได้ถือว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านแสดงความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่าเสมอถึงแม้ว่าท่านจะมีบรรลุธรรมที่สูงกว่าแต่บุคคลที่ไม่ได้บรรลุธรรมถ้าเขามีอาวุโสกว่า เช่นพระนี้ถ้าเราจะนับถือกันด้วยอายุพรรษาใครบวชก่อนก็เป็นพี่ใครบวชหลังก็เป็นน้องถึงแม้ว่าคนน้องอาจจะบรรลุ ธ, ธรรมสูงกว่าคนพี่ก็ตามคนน้องก็ยังให้ความเคารพต่อคนที่เป็นพี่เสมอเวลาพบปะกันก็จะต้องกราบพระที่มีพรรษามากกว่า อันนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะต้องใช้เวล า, าเข้ามาคุ้นเคยกันถ้าเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็จะรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชาวพุทธเราถ้ามาเข้าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะไม่ได้ซึมทราบ ถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของขนรรมเนียมประเพณีต่างๆใส่บาทก็ควรจะถอดรองเท้าและไม่ควรยืนที่สูงกว่ายกเว้นในกรณีที่สุดวิสัย พระเดินบนถนนแล้วญาติโยมยืนบนขอบทางถ้าลงมาได้ก็ควรจะลงมาไม่ควรที่จะยืนที่สูงกว่าพระเพราะถือว่าไม่ได้ให้ความเคารพเราเป็นผู้น้อยผู้ให้ญาติโยมนี่ถือว่ามีศีล น, น้อยกว่าพระพระมีศีลถึงสองร้อยยิบเจ็ดข้อ แล้วมีห้าข้อไม่รู้ว่ามีครบหรือเปล่าฉะนั้นถ้าพูดตามสถานภาพทางทางคุณธรรมอันนี้เราก็ต้องยกให้พระสูงกว่าเราทำอะไรกับพระก็ต้องให้มีความสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ถ้าไม่ได้เข้าวัดเข้าวานี่อาจจะไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเพราะเวลาอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญากันก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ ชาวพุทธเราควรจะรู้กันอยู่แล้วแต่เนื่องจากการแสดงออกของชาวพุทธในสมัยปัจจุบันนี้แสดงว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องพูดจาพูดเล่าให้ฟังบ้างก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาตำหนิติเตียน เอาโทษอย่างไรก็พูดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนื่องจากเมื่อกี้ญาติโยมก็ถามว่านั่งข้างบนนี้ได้เปล่าญาติโยมก็อาจคนที่มาทีหลังเห็นไม่มีคนนั่งข้างบนก็เลยคิดว่าข้างบนนั่งไม่ได้หรือว่านั่งได้แต่ผู้ชายเห็นมีแต่ผู้ชายนั่งไม่มีผู้หญิงเอก็เลยคิดว่าอ่ผู้หญิงนั่งไม่ได้บนนี้ นั่งได้บนนี้ที่ข้างบนนี้เพราะว่าเขาก็ทาเป็นหลายระดับด้วยกันระดับที่ของพระนั่งก็สูงหน่อยระดับที่ญาติโยมนั่งก็ต่ำหน่อยถึงแม้ถ้าอยู่พื้นระดับเดียวกันแต่ถ้าพระมีอาสนะมีผ้าปูหรือมีอที่นั่งก็ถือว่านั่งสูงกว่าก็ไม่ได้ถือว่านั่ง พร้อมๆกับพร้อมๆกับไม่ได้นั่งเสมอพระถ้าพระมีผ้าปูซังผืนอหนึ่งนั่งญาติโยมนั่งกับพื้นแล้วพระปูผ้านี้ก็ถือว่านั่งกันอยู่คนละระดับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ชาวพุทธเรา อาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้กันก็เลยฝากมาบอกกันเรื่องของการฟังธรรมก็มารยาทของการฟังธรรมก็ให้นั่งอยู่เฉยๆไม่พูดจาไม่คุยกันไม่เล่นกันไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆเหมือนเข้าห้องเรียนอยู่ในห้องเรียน พวกที่ไม่กล้ามานั่งข้างหน้าก็เพราะาอาจจะเป็นพวกที่ยังนั่งเฉยๆไม่ได้ยังอาจจะต้องขยกขยับออก็เลยไปนั่งไกลๆดีกว่าเพื่อที่จะขยับเวลาฟังธรรมนี่จะไม่ขยับตัวกันเลยจนกว่าการแสดงธรรมจะจบสิ้นลงซึ่งบางทีก็อาจจะนาน อ, อ, อาจจะนั่งแล้วเจ็บ อยากจะขยับถ้าอยู่ขึ้นมานั่งข้างบนนี้อาจจะขยับไม่กล้าขยับเลยไม่อยากจะขึ้นมาเลยนั่งข้างล่างดีกว่านั่งที่ไกลๆดีกว่าเผื่อบางทีอยากจะไอหรืออยากจะอะไรอยากจะขยับตัวจะได้ไม่ไปรบกวนผู้อื่นการฟังธรรมทำไมาเราจึงต้องนั่งเฉยๆไม่พูดไม่ส่งเสียง เพราะว่าจะได้ไม่รบกวนกัน ừ. การฟังธรรมนี้ต้องใช้สมาธิใช้สติมากพอสมควรคือต้องมีใจที่แน่วแน่อยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวถ้าเราไปทําอะไรนี้ใจก็ต้องไปทํากับร่างกายถ้าไปพูดอะไรใจก็ต้องไปพูดกับร่างกายใจก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมแม้ว่าได ได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่ได้เข้าใจความหมายเพราะจะต้องแปลแปลเสียงอีกทีว่ามีความหมายว่าอย่างไรถ้ากำลังทำอะไรอย่างอื่นอยู่กำลังพูดกำลังคุยกันอยู่จะไม่เข้าใจเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูก็จะเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไปเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป จ็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่พึงจะได้รับที่มีอยู่ต้องห้าประการด้วยกันถ้าเราตั้งใจฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายไม่ขยับเขยื่อนไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดไม่คุยกันใจไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เราจะได้รับประโยชน์ห้าประโยชน์ด้วยกัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกันก็ได้คือ 1. เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าเราได้ฟังซ้ําบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสามจะทําให้เรากําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้4 จะทำให้เกิดปัญญาคือความรู้ความฉลาดทีด่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก่อนฟังธรรมเราอาจจะมีเห็นที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่พอเราฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นได้มีความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงเช่นตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดเนี่ย ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็ยังอาจจะทำให้เราสงสัยอยู่แต่ถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจะไม่สงสัยว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดเพราะธรรมจะแสดงให้เรารู้ว่าตายแล้วต้องเกิดเพราะว่าผู้ที่เกิดไม่ใช่ร่างกายผู้ที่เกิดคือจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าเรา ไม่สามารถมองเห็นจิตใจได้เหมือนกับที่เรามองเห็นร่างกายเพราะจิตใจเป็นเหมือนกับกระแสวิทยุโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่นี่เราเห็นเครื่องโทรศัพท์แต่เราไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้มีอยู่รอบตัวเราสัญญาณวิทยุต่างๆวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเป็นกระแสขึ้น ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต า, าเราไปปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ไม่มีถ้าไม่มีเราก็ติดต่อทางโทรศัพท์กันไม่ได้ที่เราติดต่อทางโทรศัพท์กันได้เพราะมีกระแสคลื่นวิทยุที่เราใช้ส่งใช้รับผ่านเครื่องโทรศัพท์นี่เองร่างกายเราเราก็มีจิตใจที่เป็นผู้กำกับผู้ใช้ ผู้สั่งให้ร่างกายเราทำอะไรต่างๆร่างกายทำอะไรนี้ต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งถ้าใจไม่สั่งร่างกายทำอะไรไม่ได้เช่นวันนี้ญาติโยมขึ้นมาที่นี่ได้ก็เพราะว่าใจสั่งให้มาสั่งให้ร่างกายมาที่นี่ใจสั่งด้วยความคิดความคิดนี่แหละคือใจการกระทำด้วยความคิดนี้เรียกว่าเป็นการกระทำด้วยใจ เมื่อคิดแล้วก็สั่งมาที่ร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้ทำดีก็ได้ทำบุญก็ได้ให้ทำบาปก็ได้หรือให้ทำแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ได้ทุกวันนี้ใจของเราจะสั่งให้ร่างกายเราทำสามอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะทำแบบกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป ทำอย่างไรที่เรียกว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปคือถ้าทำทำบุญนี้ก็หมายถึงทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเช่นทำอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขเช่นใส่บาตรนี่ทำให้พระได้รับความสุขได้รับอาหารจากการเสียสละของญาติโยมอันนี้เรียกว่าทำบุญทำบาปก็คือไปขโมยข้าวของของคนอื่น ไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าทำบาปส่วนธรรมที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็คือการกระทาที่ไม่ไปทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ได้ทำให้คนอื่นเขามีผลกระทบอย่างไรเช่นเราอาบน้ำอาบท่านี้ก็เป็นการกระทาแต่เป็นการกระทาที่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปอาบน้าอาบท่ารับประทานอาหาร ไปทำงานทำการออกกำลังกายไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการกระทําที่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปไม่มีผลลบผลบวกต่อจิตใจแต่การกระทําบุญหรือทำบาปนี้จะมีผลบวกผลลบต่อจิตใจผลบวกก็คือให้จิตใจมีความสุขความเจริญ ผลลบก็ทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความเสื่อมการเจริญการเสื่อมของจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนกับการเจริญการเสื่อมในทางฐานะการเงินการทองถ้าเรามีรายได้มากฐานะการเงินการทองของเราก็เจริญขึ้นรวยขึ้นเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีระดับแสนเป็นเศรษฐีระดับล้านมีหลายระดับ ถ้าฐานะการเงินการทอง <c oughs> เสื่อมเป็นหนี้เป็นสินก็ก็จะเป็นเป็นคนที่มีหนี้ศินในระดับต่างๆอันนี้ก็เปรียบเทียบคล้ายกันจิตใจเราก็มีหลายระดับมีความสุขหลายระดับตอนนี้จิตใจเราอาจจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็จะมีความสุขของระดับมนุษย์ ถ้าจิตใจเราต่ําลงถ้าลงไปเป็นระดับเดลาฉานความสุขก็จะน้อยกว่าการอยู่แบบเดลาฉานนี่เขาไม่มีไ ม, ไม่ไม่สุขเท่ากับการเป็นมนุษย์มนุษย์มีความสามารถที่จะหาความสุขได้เก่งกว่าสัตว์เดลาฉานและภายที่จะมาคุกคามมนุษย์ก็มนุษย์ก็มีความสามารถที่จะปกป้องป้องกันได้มากกว่าการเป็นสัตว์เดลาฉาน อันนี้ก็เปรียบเทียบถ้าทำบาปเนี่ยถ้าทำบาปใจที่เป็นมนุษย์นี้จะเสื่อมลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานเพราะการทำบาปนี้เป็นลักษณะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาอยู่ด้วยการทำบาปเขาต้องฆ่าฆ่าเพื่อกัดเพื่อกินเพื่อเลี้ยงชีพเขาต้องกินสัตว์ที่เล็กกว่าเขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยถึงจะอยู่ได้ อันนี้ก็จะทำให้จิตใจของผู้ที่ทำบาปนี้ต่ำลงถ้าถ้าไม่ทาบาปถ้าเป็นก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้ารักษาสี่ห้าได้จิตใจก็ยังเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทั้งในขณะที่อยู่ตอนนี้จิตใจถ้ารักษาสี่ห้าจิตใจก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วถ้าจิตใจถ้าร่างกายตายไป ใจิตใจที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลชานไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทวดาเพราะใจิตใจเป็นเพียงระดับของมนุษย์ถ้าอยากจะยกระดับของใจิตใจให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทวดาก็คือนอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆก็จะขึ้นไปสู่ระดับ เทวดาระดับต่างๆทำบุญมากก็จะได้เทวดาที่ระดับสูงขึ้นไปทำบุญมากก็เป็นเทวดาเทวดาที่ระดับสูงทำบุญน้อยก็มีเป็นเทวดาระดับต่ำเราจึงมีเทวดาหลายระดับด้วยกันลูกคเทพนี้เป็นพวกระดับต่ำนี่ลูกคเทพอยู่ชอบอยู่กับตามต้นไม้เขาเรียกลุกคเทพ พวกที่เป็นอยู่สวรรค์ดาวเดงสวรรค์ดุสิตเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ทำบุญมากมก็จะได้รับความสุขมาก น, นี่คือความเจริญของจิตใจในระดับต่างๆที่เกิดจากการทำบุญชนิดต่างๆถ้ารักษาศีลทำทานก็จะได้ไปจิตใจก็จะเป็นเทพในระดับต่างๆ แล้วถ้าเพิ่มจากศีลห้ามารักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบจิตใจก็จะกลับขยับขึ้นไปสู่ระดับพรหมเป็นพวกพรหมพวกพรหมนี้เขามีความสุขมากกว่าพวกเทพเพราะความสุขของพรหมนี้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือกว่าความสุขของเทพเหนือกว่าความสุขของมนุษย์ น, นี่คือการทำบุญชนิดต่างๆจะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราจิตใจที่พวกเรามองไม่เห็นจิตใจที่พวกเราไม่รู้ว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้จะไปเป็นสิ่งต่างๆที่จิตใจกระทำทันที เป็นตั้งแต่ยังไม่ตายตอนนี้จิตใจของพวกเราแต่ละคนนี้อาจจะอยู่คนละคนะระดับก็ได้บางคนก็อยู่ระดับของมนุษย์ถ้ารักษาสีหน้าได้รักษาสีลอย่างเดียวไม่ทำบุญทาทานหรือถ้าทำน้อยก็ไปเป็นเทพระดับต่ำถ้าทำมากก็เป็นเทพระดับสูงแล้วถ้า ถือศีลแปดได้นั่งสมาธิได้จิตใจก็เป็นพรหมขึ้นมาทันทีเป็นตั้งแต่ยังไม่ได้ตายจิตใจนี้สามารถเจริญรู้เสื่อมได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอตอนตายก่อนถึงจะไปเป็นเทพเป็นพรหมหรือไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นตั้งแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนีย พวกที่เป็นเดรัจฉานตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่เขามักจะจับไปขังไว้ในกรงใช่พวกที่ไปติดคุกติดตารางนี่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานใจทำบาปไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น mm hmm. เขาเลยต้องจับไปกักขังไว้เพราะจะได้ป้องกันไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น mm hmm. ก็เปรียบเหมือนกับสิงสาราสัตว์เนี่ย ถ้าสิงสาราสัตว์หลงเข้าไปในบ้านในเมืองนี่เขาไม่ปล่อยให้มันเดินเที่ยวเล่นตามอศูนย์การค้าถ้าเห็นสัตว์เห็นเสือนี่เขารีบจับกันดีไม่ดีเขาฆ่าเลยเพอเขารู้ว่ามันอันตรายมันจะทําร้ายผู้อนได้อันนี้ก็คนก็เหมือนกันเขาถึงเรียกคนที่คนทําบาปเป็นเสือไง สมัยก่อนโจรผู้ร้ายนี่เขาจะมีชื่อเสือดําเสือแดง <S <S เสืออะไรเนี่ยคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเสือเพราะพวกนี้เขาฆ่าคนได้อย่างง่ายดายเขาทําบาปได้อย่างง่ายดายเขาเลยมีสมญาว่าเสือชื่อแดงเขาเรียกเสือแดงเสือใบอย่างนี้นี่คือเรื่องของจิตใจ ของพวกเราทุกคนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นผู้รับผลที่เกิดจากกระทาของเราเองถ้าเราทำบุญจิตใจเราก็ได้รับผลดีจิตใจเราก็จะมีความสุขมีมีจิตใจเป็นจิตใจที่มีความเมตตาอ่อนโยนไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครมีแต่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ส่วนจิตใจที่ทำบาปก็จะเป็นจิตใจที่จะมีแต่ความทุกข์เวลาทำบาปแล้วจิตใจจะไม่สบายจะชุก ด, ด้วยความวิตกหวาดกลัวกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะถูกจองร่างจองผลาญจองเวรจองกรรมเพราะเมื่อไปทำร้ายผู้อื่นแล้วผู้อื่นที่เขาถูกทำร้ายเขาก็จะต้องจ้องทำลาย อาฆาตปยาบาทกลับมาทาบาปแล้วใจก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็จิตใจก็ตกต่ำลงบาปนี้มีที่ไปอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับเดชระชนันระดับเปรตระดับอสุ ร, รกายระดับนรกขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทําบาปว่าทําด้วยเหตุผลอันใด ทำบาปด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดลฉานไม่รู้ว่าบาปนี้ทำแล้วจะมีผลกระทบต่อจิตใจของตนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องเอาตัวรอดก็เลยต้องถ้าต้องฆ่าก็ต้องฆ่าถ้าต้องทำบาปก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดพวกนี้ก็จะเป็นพวกเดลฉาน พเดราจฉานเขาไม่รู้ว่าเขาทําบาปเขาคิดว่านี่เป็นวิถีชีวิตของเขาเขาจะอยู่ได้เขาจะเอาตัวรอดได้เขาก็ต้องทําบาปถ้าไม่ทําบาปเขาก็อดตายเขาก็เลยต้องทําบาปเขาก็เลยเป็นเดรัจฉานกันส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ ม, มีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ไป ไปโกงไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยเพื่อที่จะได้ให้ได้ของมามากๆอย่างเี้รนี้ก็จะเป็นพวกเปรตนจิตใจจะเป็นเปรตจิตใจจะมีแต่ความหิวโหวยไม่มีความอิ่มน้ำสำาันใจได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาปั๊บดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากได้เพิ่มอีก ได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้เพิ่มเป็นสองล้านได้เพิ่มเป็นสามล้านเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากแล้วไปหามาโดยไม่ได้ทําบาปก็ไม่เป็นเปรตยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นเราเป็นมนุษย์แล้วเราอยากรวยเราก็ทํามาหากินโดยวิธีไม่ทําบาปแล้วเราได้เงนินได้ทองมาโดยที่ไม่ได้ทําบาปใจเราก็ยังไม่เป็นเปรตยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์ที่มีความโลภมาก ที่อาจจะกลายเป็นเปรตได้ถ้าไปทําบาปถ้ายังไม่ทําบาปก็ยังไม่เป็นเปรตแต่ยังทำ ม, มากินโดยวิธีสุดเจริยไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปโกหกหลอกลวงทำมากินด้วยวิธีที่ถูกศีลธรรมถูกกฎหมายก็ไม่ได้เป็นเปรตแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดไป ไปทำบาปเมื่อไหร่ก็เริ่มไปเป็นเปนเตรตเมื่อ น, นั้นส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวนุน่นกลัวนี่กลัวมดกลัวมแมลงกลัวอะไรก็เลยต้องกำจัดมันก่อนฆ่ามันก่อนเพื่อมันจะได้ไม่มาทำร้ายเราการการทำบาปด้วยการเพราะความกลัวก็จะเป็นอสุรกายหรือผีเราเรียกพวกผีพวกอสุรกาย พวกนี้เป็นพวกที่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วพวกสุดท้ายพวกที่ทําบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเนพวกนี้ก็จะเป็นนรกพวกนี้จะรุ่มร้อน ด, ด้วยไฟของความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมขณะที่ไม่ตายก็ เป็นมนุษย์ก็อยู่แบบไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอาฆาตปยาบารคิดที่อยากจะแก้แค้นล้างแค้นเพียงอย่างเดียวนี่คือผลกระทบต่อจิตใจคือการกระทาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ถ้าเป็นการกระทำแบบกลางๆนี่ไม่มีผลกระทบไม่ได้ทำให้จิตใ จ, จเจริญหรือเสื่อม ไม่ได้ทําให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์มากขึ้นแต่อย่างใดเช่นเราอาบน้ําอาบท่ากินข้าวไปซื้อกับข้าวไปทํางานในการกระทําเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจในทางบวกหรือทางลบเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้ไปเป็นเดชะชานจะไปเป็นเทวดาก็ต่อเมื่อเราไป เราไปทำบุญเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญวันนี้กำลังมาฝึกเป็นเทวดาหนึ่งวันถ้าพรุ่งนี้ไปขโมยของหรือไปช่อโกงใบลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ไปฝึกเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตแล้วแต่ความว่าแต่เหตุผลของการทำบาปทำด้วยความโลภหรือทำด้วยความหลงทำด้วยความกลัว เลยทำด้วยความชังจิตใจของเรานี้จะมีอคติอยู่สี่คือรักชังกลัวหลงถ้าเราให้ถ้าเราปล่อยให้เราทำเราทำบาปด้วยความรักชังกลัวหลงเราก็จะไปเป็นเราจะไปเป็นอยู่ในอบายจิตใจเราจะอยู่ในระดับของอบายทันที แต่ถ้าเรามีรักชังกลัวหลงแต่เรารู้จักหักข้ามจิตใจรักอะไรถ้าอยากได้ก็ไม่ไปขโมยมาพยายามทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองพอได้เงินแล้วก็ไปซื้อของที่เราอยากได้ อ, อย่างนี้ก็ไม่บาปไม่ไปอบายแต่ใจของสัตว์โลกทุกคนนี้มีมีอคติอยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้นมีรักชังกลัวหลง มีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านสามารถกําจัดความรักชังกลัวหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้พวกที่เป็นพรหมก็สามารถที่จะดังนับความรักชังกลัวหลงได้เป็นพักๆแต่ยังไม่สามารถกําจัดได้อย่างถาวรเวลานั่งสมาธิจิตสงบความรักชังกลัวหลงนี้ก็จะสงบตัวลงชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปสัมผัสกับอะไรความรักชังกลัวหลงก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่ต้องการให้มันโผล่กลับขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาฝึกเป็นพระอริยเจ้ามาฝึกเป็นพระอรหันต์ฝึกเป็นพระพุทธเจ้าการจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักใช้ปัญญารู้จัก ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปรักชังกลัวหลงว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทำไม เ, เราถึงต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราจะไม่ลักชังกลัวหลงกับอะไรสิ่งที่เราลักชังกลัวหลงเพราะความหลงของเราคือหนึ่งความทมี่ไม่รู้ว่าเราเป็นจิตใจความหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย พอเราเป็นร่างกายเราก็มีความรักร่างกายเราก็จะชังสิ่งที่จะมาทำลายร่างกายเรามาทำให้ร่างกายเราเสียหายหรือเจ็บเราก็จะมีความกลัวเราจะมีความรักสิ่งที่มาทำให้ร่างกายเราดีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปรักไปชังอะไรก็ได้เพราะว่า ร่างกายไม่ว่าจะทำอะไรอย่างไรกับมันในที่สุดมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้านมไฟไปร่างกายมันทามาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็สามารถละความรักชังกลัวหลงได้ส่วนใหญที่เรารักเราชังกันก็เพราะเราต้องการดูแลรักษาร่างกายของเรา ให้อยู่ไปนานๆเพื่อที่จะได้ <c oughs> หาความสุขให้กับเรา <c oughs> เราจึงรักร่างกายเราถึงกลัวกลัวกลัวกับสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่ากลัวยังไงรักยังไงก็ไม่สามารถป้องกันความตายของร่างกายได้แล้วผู้ที่ตายก็ไม่ใช่เป็นเราเราเป็นจิตใจเราไม่ได้เป็นร่างกาย ถ้าเรารู้อย่างนี้<ม>เราก็สามารถระงับความลักชังกลัวหลงเกี่ยวกับร่างกายได้ร่างกายมันยังไงก็ต้องตายไปกลัวอะไรกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายกลัวทําไมกลัวแล้วทุกข์ไปเปล่าๆคนที่ไม่ตายกลับไปกลัวคนที่ไม่ตายกลับไม่กลัวร่างกายมันไม่กลัวความตายเพราะมันไม่รู้อะไรมันไม่มีความรู้ในตัวของมันเองมันไม่รู้ว่ามันอยู่มันไม่รู้ว่ามันตาย ตัดผมไปผมไม่รู้ว่ามันถูกตัดนะตัดนิ้วตัดเล็บตัดอะไรไปตัดอวัยวะไปตัดลำไส้ไปแม้เวลาเป็นมะเร็งหมอเขาก็ผ่าตัดลำไส้ทิ้งไปลำไส้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ใจนี่ที่รู้ไปกลัวไปเจ็บไปเดือดร้อนแทนร่างกายทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไร แต่ถ้าเรามาศึกษาค้นคว้าแล้วพบความจริงว่าใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจก็จะไปกลัวทําไมกลัวก็ทุกไปเปล่าๆความกลัวทําให้ใจทุกขทรมานถ้าใจไม่อยากทุกขทรมานก็อย่าไปกลัวปล่อยให้มันเป็นไปร่างกายจะเป็นอะไรถ้าเราห้ามไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไป ถ้ายังรักษาได้ยังดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ไม่ต้องไปกวาดกลัวไม่ต้องไปออทุกข์กับมันถ้ามีปัญญารรู้ความจริงว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใจเป็นเราร่างกายไม่ได้เป็นเราเรารักษาใจเพียงอย่างเดียวรักษาใจไม่ให้กลัวไม่ให้รักไม่ให้ชังด้วยการปล่อยวางร่างกาย ดูแลร่างกายไปเท่าที่เราจะดูแลได้เมื่อถึงเวลาร่างกายจะต้องเป็นอะไรก็ต้องยอมรับมันไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ความรักชังกลัวหลงเกี่ยวกับร่างกายก็จะไม่มีถ้ามีปัญญา ส่วนเรื่องความรักชังกลัวหลงกับสิ่งต่างๆอย่างอื่นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญทำไมเรารักกันมากหรือเกินชอบกันมากหรือเกินอยากได้เงินทองกันอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งอยากได้เกียรติได้รางวัลอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เพราะเราไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะนี้เองเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนบอกว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาสู้เอาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ดีกว่า ความสุขร้อยเปเซนดีกว่าความสุขแบบห้าสิบห้าสิบสุขห้าสิบแล้วก็ทุก 50. ห้าสิบเลไม่ใช่อาจจะเป็นสุขสิบแล้วทุกเก้าสิบก็ได้เนี่ยความสุขทางลาบยศจลรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยมันเป็นความสุขแบบสิบสิบกับเก้าสิบสสุขสิบเอร์ซนแต่ทุกเก้าสิบเอร์ซเวลาได้เงินทองมาก็ดีใจกันมีความสุขกัน พอหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็ทุกข์กันถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายฮะเนี่ยคิดดูเนี่ยความสุขกับความทุกข์อันไหนมันมากกว่ากันความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญกับความทุกข์ที่เราได้จากการสูญเสียราบยศสรรเสริญนี่มันนัะมั น, นมีน้ำหนักมากกว่ากันเยอะ พระพุทธเจ้าบอกเราไม่ต้องหาความสุขแบบนี้กันมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์ดีกว่ามีอยู่ความสุขที่เป็นความสุขร้อยเปเซน์ไม่มีความทุกข์เลยนั่นก็คือความสุขภายในใจของเรานี่เองความสุขภายในใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักทําใจให้สงบเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัติสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจอันนี้เราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆนัติสันติบาลังสุขขัง นัตติสันติพลังสุขขังแปลว่าสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่พวกเราหากันนี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขร้อยเปอร์เซนตไม่มีความทุกข์เจือปนถ้าเป็นทองคําก็ทองคำร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเป็นน้ําผลไม้ก็เป็นน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์ มันมีการผสมน้ำจากความสุขทางลาบยศจรลเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นความสุขที่ส0เอร์ซแล้วก็มีความทุกข์สอร์ซมาผสมด้วยเวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาสูญเสียลาบยศจรเสริญ ส, สุขนี่เราจะรู้ถึกเสียใจมากบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตาย เราทนกับความทุกข์ไม่ได้นี่คือความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะสามารถหาได้ถ้าเราเข้าถึงความสุขที่มีอยู่ในใจแล้วเราจะหยุดความรักชังกลัวหลงได้ <c oughs> เพราะเราไม่ต้องรักเราไม่ต้องไปรักไ ม, ไม่ต้องไปรักกับล า, าบยศจลรเสริญกับรูปเสียงกิรลดโพธภิภพเมื่อเราไม่รักเราก็ไม่ไม่ชัง เพราะว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี่มันมีสองด้านมันมีด้านดีกับด้านไม่ดีเวลาเราไปเจอด้านไม่ดีเราก็จะเกลียดเราจะเกลียดความยากจนเราจะเกลียดความต่ำต้อยเราอยากจะได้ร่ํำรวยเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเราจนเราก็จะเกลียดมันพอเราเป็นคนไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรเราก็จะเกลียดมัน ความลักชังกลัวหลงนี้จะหายไปหมดถ้าเราไม่แสวงหาลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่ไปรักไปชังใครไม่ไปโกรธไปเกลียดใครไม่ไปหลงรักใครเราจะมีความสุขในตัวเราเราก็เลยไม่ต้องไปหาความสุขจากใคร ไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้เวลาเขาให้ความสุขเราก็รักเขาพอเวลาเขาให้ความทุกข์กับเราเราก็เกลียดเขาเห็นไหมที่มาของความรักความชังความกลัวความหลงมันมาจากเพราะว่าใจเราไม่มีความสุขในตัวเราเองไม่มีความสงบถ้าใจเรามีความสงบมีความสุขในตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไร เมื่อเราไม่ไปหาอะไรเราก็ไม่ไปรักใครไม่ไปชังใครไม่ไปกลัวใครไม่ไปหลงอะไรไม่ไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนี้จะดีไม่มีอะไรในโลกนี้ดีเท่ากับความสงบเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะไม่หลงกับอะไรอีกต่อไป แต่ถ้าเรายังไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เดี๋ยวเราก็จะหลงกับเพชรเดี๋ยวจะหลงกับทองทั้งทั้งที่มันก็เป็นแค่ก้อนหินนั่นเองเพชรมันเป็นอะไรก็เป็นก้อนหินดีๆนี่กินก็กินไม่ได้เห็นไหถ้าไปหลงอยู่ในปา่าแล้วเจอกล้วยกับเพชรนี่จะเอาอะไรหลงทางอยู่ในปา่าหิวข้าวหิวโซนี่ต่อให้เจอเพชรก็เม็ดเท่าภูเขาก็ไม่เอาเอากล้วยดีกว่านั่นแหละ ความหลงมันหลอกให้เราหลงคิดว่าโอ้มีเพชรแล้วเราจะมีความสุขมากมีเพชรติดอยู่ที่แหวนที่นิ้วนี่มีเพชรติดที่สร้อยคอยคนเห็นแล้วโอ้โหเขาหวือหวาเขาตื่นเต้นแต่มันไม่มีอะไรมันเป็นก้อนหินเน่นึงมัน มันหลอกพวกที่เป็นพวกคนหลงด้วยกันทั้งนั้นคนที่ถูกคนที่หลงคิดว่าเพชรดีพอเห็นเพชรก็โหดีใจตื่นเต้นกันใหญ่แต่คนที่ฉลาดก็เห็นว่าเพชรมันก็เป็นแค่ก้อนหินนั่นเองทองมันก็เป็นแค่โลหะเป็นเหมือนเหล็กนี่เพียงแต่ว่ามีเป็นสีทองมันไม่ใช่สีดำเก็เรียกว่าทองถ้าเป็นเงินก็เป็นสีเงินแล้วเราก็ไปตั้งราคามันขึ้นมา พอไปตั้งราคามันก็เลยเป็นของมีค่าขึ้นมาเราก็หลงกันหลงคิดว่าเรามีของมีค่าแต่จริงๆเวลาต้องกินมันกินมันได้ปะถ้าไปหลงอยู่ในป่าเนี่ยมีทองแบกไปเนี่ยจะไปซื้ออะไรได้ปะซื้อไม่ได้หรอก <c oughs> แต่คนที่มีความสุขนี้เขาจะไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้เพราะเขารู้ว่ามันไม่สามารถผลิตความสุขแบบที่เขามีได้ น, นั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถผลิตได้เพชรเมร็ดใหญ่เท่ากับกาปั้นก็ไม่สามารถผลิตความสุขที่เกิดจากความสงบได้ คนที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะไม่หลงกับอะไรในโลกนี้ต่อจะให้เป็นอะไรก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีใจให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามให้เป็นนายกเป็นรัฐรมนตรีหรือเป็นมหาจากักรพรรดิมันก็มันก็เป็นคนเหมือนกันถ้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้านิ้มดูไม่ออกว่าใครเป็นใครใช่ไหมถ้าพวกเราทุกคนแก้ผ้าเดินไปไหนมาไหนจะรู้เปล่าว่าใครเป็นนายก ใครเป็นพระใครเป็นอะไรไม่รู้หรอกมันก็เป็นคนะมีร่างกายเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าพอเราเครื่องแบบมาใส่ก็จะรู้อ๋อคนนี้เป็นนายพลอ๋อคนนี้เป็นนายพันคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นพระเท่านั้นเองมันเป็นสมมุติเนี่ยแล้วก็เลยไปหลงดีใจโอ้ได้เป็นนายกแล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะมีความสุข ที่ไหนมีความสุขที่นั่นมันก็มีความทุกข์มันเป็นของไปด้วยกันถ้าสุขมากก็ทุกข์มากถ้าสุขน้อยก็ทุกน้อยเพราะสุขนี้มันมีหมดได้เวลาหมดมันก็จะทุกข์ถ้าสุขมากก็จะทุกข์มากเวลามันหมดถ้าสุขน้อยมันก็จะทุกน้อยถ้าไม่มีสุขเลยมันก็จะไม่ทุกข์เลย นี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีพอได้มาแล้วก็ดีอกดีใจกันแต่ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวความ ไม่สบายใจก็ตามมา <c oughs> เรื่องที่เคยไม่ทำให้ไม่สบายใจมันก็ไม่หายไปไม่ได้หายไปเพราะเราเป็นใหญ่เป็นโตเพราะเราร่ำเรารวยเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจคือเรื่องอะไรเรื่องแก่นี่แหละเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องตายเนี่ยทำยังไงก็ไม่สารเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ไม่สามารถมาลบล้างความไม่สบายใจจากเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยขนาดไหนก็นไม่สามารถมา ลบล้างความไม่สบายใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ความสงบนี้แหละสามารถลบล้างความความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ผู้ที่มีความสงบนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจแยกออกจากร่างกายไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเลยไม่เดือดร้อนร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตาย ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็ยังอยู่กับใจเหมือนเดิมแต่คนที่อาศัยร่างกายหาความสุขนี้พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถหาได้ก็เลยเดือดร้อนกันทรมานกันวุ่นวายใจกัน <c oughs> นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้อง ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเวลาเกิดการพัดพากจากกันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ในใจของพวกเราใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกายใจที่ พวกเราสามารถที่จะทำให้มันผลิตแต่ความสุขให้กับเราในระดับต่างๆได้ขั้นต้นเราก็เอาระดับต่ำระดับง่ายก่อนคือผลิตความสุขระดับเทพก่อนไปฝึกเป็นเทวดาก่อนหรือฝึกเป็นมนุษย์ก่อนก็ได้รักษาศีลให้ได้อย่าทำบาปห้าข้อเราก็จะสามารถรักษาความสุขของระดับของมนุษย์ได้ เราก็จะอยู่เป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์นี้มีความสุขมากกว่าเป็นเดรัจฉานถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้จิตใจของเราจะลดลงไปสู่ระดับเดรัจฉานจะมีความทุกข์มากขึ้นคนทําบาปนานี้จะมีความหวาดกลัวความวิตกกังวล กลัวจะถูกจับไปลงโทษหรือกลัวจะถูกจองล่างจองผ่านอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมถ้าไม่ทำบาปก็จะไม่มีความกลัวความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นนี่คือระดับต้นๆคือระดับรักษาศีลห้าพยายามรักษาศีลห้าไว้เราจะสามารถอยู่ในระดับของมนุษย์ได้ แล้วถ้าอยากจะขยับขึ้นสูงกว่ามนุษย์ก็ให้ทำบุญทำทานให้เสียสละแบ่งปันอย่าหวงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปซื้อสิ่งต่างๆก็ได้ความสุขเดียวๆเอาเงินไปเทียเท่ยวไปกินไปดื่มไม่ได้ยกฐานะของจิตใจให้ไปเป็นเทวดาไม่ได้มีความสุขระดับของเทวดา ก็จะได้แค่ระดับความสุขของมนุษย์ถ้าอยากจะได้ความสุขของเทวดาระดับที่สูงกว่าก็ต้องเสียสละเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ไปเที่ยวไปไปกินไปดื่มนี้เอาไปทำบุญทำทานแทน พอเราเอาเงินที่ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทําบุญทําทานเราก็จะได้ไปเงื่อนระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่างๆทําบุญมากทําบุญน้อยเอทํามากก็เป็นเทวดาชั้นสูงมากทําบุญน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำํำแล้วถ้าอยากจะขยับให้ ขึ้นเหนือระดับเทวดาก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากการรักษาศีลห้าเพิ่มมาเป็นการรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิฝึกจเจริญสติก่อนแล้วก่อนจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้จะต้องมีสติคอยหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีสตินั่งไปก็จะไม่สงบก็จะไม่ขึ้นสู่ระดับชั้นพรหมได้ อยขึ้นสู่ระดับชั้นผมได้ต้องอาศัยสติเป็นตัวดุมดึงขึ้นไปต้องมันฝึกสติวิธีฝึกให้มีสติก็คือให้เราคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเบื่อพุทโธก็เปลี่ยนเป็นบทสวดมนต์ก็ได้คิดอยู่กับบทสวดมนต์สวดอิติปิโสไปหลายๆจบหลายๆรอบเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในการทํางานทําการ กับเรื่องที่จําเป็นอย่าปล่อยให้ใจคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะจะทําให้เร า, เาไม่สามารถาก้าวขึ้นสู่ความสุขระดับของของพรมได้เราต้องหยุดความคิดที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระหยุดมันด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการบริกรรมพุทธโธบ้าง แล้วพอเรามีสติเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมใจไม่ให้คิดจะควบคุมด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือควบคุมด้วยการาพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ระดับของพรหมได้เมื่อจิตสงบลงก็จะเป็นฌานระดับต่างๆพรมก็มีเป็นความสุขของพรมก็เป็นระดับต่างๆ ตามขั้นของฌานที่ได้สงบขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าฌานหนึ่งสงบขั้นที่สองก็เรียกว่าฌานสองเหมือนขับรถเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์รถเวลาเราออกรถแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งวิ่งได้สักพักก็ต้องเปลี่ยนเกียรถ์ถ้าอยากจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นจากเกียร์หนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองพอเกียร์สองวิ่งได้สักพักอยากให้มันเร็วกว่า น, นี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สาม ความสงบก็เหมือนกันความสงบก็เป็นระดับหนึ่งสองสามเหมือนรถเหมือนเกียร์รถเวลานั่งใหม่ๆมันก็จะสงบในขั้นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเรานั่งต่อไปดูลมไปเรื่อยๆทําให้ความคิดเบาลงน้อยลงมันก็จะเข้าที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปเองตามลําดับนี่คือการเข้าสู่ยกระดับจิตของเราเข้าสู่ระดับพรมแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปเหนือระดับพรม ไปแบบไม่กลับมาถ้ายังอยู่ในระดับพรหมระดับเทพอยู่นี้ยังกลับมายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพ <usual. S 1> ราะว่าบุญที่เราทานี่มันหมดบุญที่ส่งเราไปเป็นเทพเดี๋ยวมันหมดพอหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญที่ส่งเราไปเป็นพรหมเดี๋ยวมันก็หมดมันก็จะกลับให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่ม า, มาเจ็บมาตายมาทุกอย่างที่เราทุกข์กันอยู่นี่เราก็ต้อง ปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งยกระดับจิตให้ขึ้นเป็นระดับของพระอริยะของพระพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ต้องใช้ปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่งค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้พอเราตัดความอยากได้จิตของเราก็จะไม่เสื่อมลงมา เหตุที่ทำให้จิตเราเสื่อมก็เพราะความอยากนี่ยังอยากจะมาหาลาบยศสรลเสริญอยากจะมาหารูปเสียงกลิ่นรสยังอยากจะมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การทำบุญทําทานการนั่งสมาธิเพียงแต่ระงับความอยากไว้ชั่วคราวแต่ไม่ได้ทำลายมันถ้าจะต้องทำลายนี่ต้องใช้ปัญญาความรู้ความจริงความจริงที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข มันทุกข์เพราะมันมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดก็จะเสียอกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียใจก็ต้องต้องไม่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่อยากก็ต้องเห็นว่ามันไม่มันมันมันไม่เที่ยงเอาสิ่งที่เที่ยงดีกว่าสิ่งที่เที่ยงก็คือความสงบภายในใจเหล่านี้ ถ้าเราตัดความอยากได้เราก็จะได้ความสงบที่ถาวรความสงบที่จะอยู่ที่จะให้ความสุขกับเราไปอย่างถาวรจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ไปถ้าเราสามารถทำลายความอยากต่างๆด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่มีวันที่จะกาจัดความอยากได้ไม่สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ พราเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอเราได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้อย่าไปทำตามความอยากทำลายความอยากให้หมดไปด้วยการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรดึงให้จิตเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจิตของเราก็จะอยู่ที่นิพพานนิพพานก็คือที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือ เรื่องของประโยชน์ที่เราได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมนะคแต่เราไม่ฟังเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่มีวันรู้จากที่อื่นเพราะที่อื่นไม่มีใครเขาพูดไม่มีใครเขาสอนกันจะมีสอนแต่ที่วัดเท่านั้นเองดังนั้นก็ถ้าอยากได้ความรู้อยากได้สัมมาทิฏฐิก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมและการฟังธรรมที่จะทำให้ได้ผลก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจาที่สงบเท่านั้น ถ้าฟังแล้วยังไปทํานู่นทํานี่อยู่จะฟังไม่รู้เรื่องหรือจะได้ไม่เต็มร้อยได้แบบครึ่งคึ่งกลางๆดีไม่ดีฟังไปแล้วอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะไม่ได้ร่างใจฟังอย่างต่อเนื่องต้องฟังอย่างต่อเนื่องถึงจะได้รับประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นตถ้าฟังแบบครึ่งครึ stranded, ่งกลางๆฟังแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่หรือไปคุยกันแล้วก็กลับมาฟังใหม่อย่างนี้มันจะไม่ต่อเนื่อง มันจะไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันตอนนี้ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ห้าประการคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นตามลําดับจะกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้จะทาให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจะทาให้จิตใจสงบผง่องใสมีความสุข อันนี่คือประโยชน์ของการที่มาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมังกัละมุตตะมังการฟังธรรมตามการ ต, ต, ต, ตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ขอให้ท่านจงนำเอามงคลอันนี้ไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปะลิปุเรนติสาคลัง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 มาเตผวตวันตรายอสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสสลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวัฏาติอายุวโนสุขังพาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบเก้าสองรอยยี่สิบแปดวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบสองคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบครับนนเกือบเจ็ดรอยใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วง น, นี้เลย เ, เดี๋ยวจะส่งไลน์ไปให้ยกมือ ทางนี้มีช่วยส่งไม้ไปหน่อยไหมพูดใกลยๆปากหน่อยนะไม้จะได้เสียงดั ง, ด ง, งกราบน้มัสการค่ะพระอาจารย์คือถ้าสมมุติว่าเกิดคุณพ่อไม่ได้มีวันหนึ่งคือคุณพ่อแบบรู้สึกว่าเกียรติเราขึ้นมาค่ะคุณพ่ออะไรนะคุณพ่อค่ะแล้วเกียรดเราขึ้นมาค่ะอแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะ คือเราจะไม่ให้เขาเห็นหน้าไม่กูอยากเขาแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเรารู้สึกจะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่ไม่ได้บุญเราลืมบุญคุณของท่านเราเอาความเกลียดของท่านมาบังบุญคุณของท่านเราต้องพยายามระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านไม่มีพ่อเรามีเราไม่ได้ยังนั้นถึงแม้ท่านจะเป็นโจรผู้ร้ายท่านจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของท่าน แต่เรื่องบุญคุณของท่านกับเรานี้มันก็เป็นของที่เราปฏิเสธไม่ได้ลบล้างไม่ได้เพฉนั้นเราก็พยายามอคอยระลึกถึงบุญคุณอันนี้แล้วถ้ามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณก็ควรที่จะทำแต่ถ้าไม่มีโอกาสหรือว่าไม่เหมาะเข้ากันเท่ากันไม่ได้ก็อยู่ห่างๆกันไปก่อนไม่บาป แต่ก็อย่าทอดทิ้งกันเมื่อถึงเวลาที่ท่านาต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าตอนนี้ท่านดูแลตัวท่านเองได้ก็ถ้าครอบใกล้แล้วเดี๋ยวมีเรื่องก็อยู่ห่างก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้บุญก็ยอมอดทนเอาเข้าไปใกล้ให้ท่านเกยียดให้ท่านด่าไปเราอย่าไปถือโทษคิดว่ า, าท่านเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกัน เราจะได้เป็นคนคนมีความกาตัญญูไม่เะฉะนั้นเราอาจจะเป็นเหมือนกับคนไม่มีความกตัญญูไปอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้บางทีพ่อเขาโกรธเกลียดเราก็เรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดตอบถ้าเราเรานึกถึงบุญคุณของท่านอยู่เรื่อยๆเราจะไม่กล้าที่จะไปโกรธไปเกลียดเขา เราก็อาจจะมีกำลังใจที่จะไปประเชิญกับความโกรธความเกลียดของท่านได้เราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆคือถ้าไปหาท่านท่านจะด่าท่านจะว่าอะไรเราก็เฉยๆไปปล่อยท่านพูดท่านว่าไปเดี๋ยวท่านเหนื่อยท่านก็หยุดเองถ้าเราไม่ไปตอบโต้เดี๋ยวท่านก็ท่านก็จะหายโกรธเอง ที่ท่านกรเกรลียดเราส่วนในงาน จ, จะพ่อเราไปชอบไปต่อไปโต้เขามั่งไปว่าไปอะไรเขาเขาก็เลยกวดเกียดเราคือแบบเขาเป็นคนเป็นลูกที่เขารักมากที่สุดจ้นะค่ะเขาเลยอาจจะเสียใจมากมันอาจจะหวังมากเกินไปนะเปนเออนะนะนะพยายามให้อภัยกันนะนะนะให้คิดถึงพ่อแม่เป็นเหมือนพระอราหันต์ของลูกๆ มีบุญคุณมากต่ อ, อกาบนมัสการค่ะโยมเป็นคนรักสวยรักงามนะคะแต่ชอบฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอยากจะทราบว่าจะได้บุญระดับไหนคะก็อยู่ที่เราเอาไปปฏิบัติได้ในระดับไหนไงการฟังธรรมเป็นเพียงแต่เป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างบุญต่างๆแต่ถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้บุญ ถ้าเราอยากจะได้บุญระดับเทพยังอยากสวยอยากงามอยู่ก็พยายามทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีหน้าให้บริสุทธิ์เราก็จะเกิดเป็นเทพต า, ายไปกลับมาก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะชอบฟังทำไปแล้วก็ฟังทํางานไปด้วยนะคะแบบใช่ก็อาจจะเป็นใช้ธรรมะเป็นเหมือนเครื่อง เป็นเพื่อนแต่อาจจะไม่ได้ใช้เป็นธรรมะเพื่อเพื่อเป็นครูฟังธรรมแบบให้สบายใจแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังแบบเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังเพื่อเอาไปปฏิบัติก็การฟังธรรมนี้ก็ฟังแบบหลายแบบฟังแบบเป็นเพื่อนค่าเวลาไปฟังบางทีก็ฟังเพื่อเป็นยานอนหลับก็มีบางคนนอนไม่หลับ เปิดฟังธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลับคลอกไป <c oughs> แต่ฟังธรรมตามหลักจริงๆต้องฟังเพื่อให้เกิดปัญญา <c oughs> ความรู้เพื่อที่เราจะได้นำมาไปพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น เข้าใจอ่ะเข้าใจค่ะอฟังได้อาจจะต้องฟังบ่อยๆแล้วอาจจะเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติจะโยมฟังประจําเลยเถอะแบบสุปฏิปันโนแบบถึงเวลาโยอมต้องเปิดสถานีนี้ช่องนี้แล้วก็ทํางานไปใช่แต่เราไปทําทําอะไรหรือเปล่าทําค่ะไ ม, ไม่ใช่เอาไปปฏิบัติหรือปเปล่าก็ปฏิบัตินะแต่ถ้าให้ไปนั่งสมาธิอะไรโยมจะไม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้อเขา่าก็นั่งนั่งกับเก้าอี้ก็ได้นี่ไม่เห็นเจ้านั่งกับพื้นก็นได้ นั่งเก้าอีนั่งขอบเตียงก็ได้นั่งสมาธิได้ไม่จาเป็นจะต้องนั่งคุกนั่งพับเพียแล้วนั่งขัดสมาธิเพีงอย่างเดียวนอนสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่มันมันง่ายต่อการนอนหลับเท่านั้นเองจึงไม่เคยไม่เคยใช้ท่าท่านอนกันแต่ถ้าไม่สบายก็ยังสมาณนะอนสมาธิก็ได้ก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าทุกข์ทรมานใจก็ เ, เข้าสมาธิไป ถ้าเข้าสมาธิไปก็จะไม่ทรมานเจ็บแต่ร่างกายแต่ใจไม่เจ็บธรรดาฟังหลวงพ่อประจำทาง Facebook วันนี้ช่วงีเพื่อนพามาก็เลยโอเคก็ดีก็ได้มาก็ขอให้เอาไปปฏิบัติเพราะผลอยู่ที่การปฏิบัติแต่ต้องฟังก่อนถึงจะรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะสาธุฟังไปเรื่อยๆก็เป็นประโยชน์อย่างที่ว่าห้าประการด้วยกัน อคำถามต่อไปกราบนำสการพระอาจารย์การทํางานการปกครองกับบุคคลผู้ที่มีทิฏฐิมานะมาในแต่ละวันทํายังไงก็กับผมถึงจะไม่มีความทุกข์แล้วก็จะครองงานให้สําเร็จรุง่งรจน์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาไม่มีทิฏฐิมานะมันก็ทุกข์แล้วถ้าเขามีทิฏฐิมานะ เพรา้นเราต้องดูความจร no no. so, ิงว so ่าเขาเป็นอย่างไรแล้วเราไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับเขาไปแบบนี้อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเหมือนเห็นส้มนี่อยากจะให้มันเป็นกล้วยแล้วทำได้ั้ยถ้าเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยไม่ได้ก็อย่าไปเปลี่ยนอย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะไม่สมอยาก แต่ถ้าอยากจะให้ส้มกลายเป็นน้ำ ioè, น้ำส้มนี่เปลี่ยนได้เขาไปบีบไปคั้นได้ยังงี้ก็ทำได้ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้เราก็อย่าไปทำแล้วมันเพราะมันจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เราอยู่กับเขาไม่ได้เยังเราต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็อย่อยาไปอยาก응เพราะอยากแล้วมันจะทาให้เครียดจะทาให้ไม่มีความสุข ในการที่จะอยู่กับเขาแต่พอเราไม่อยากแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะถือเนื้อถือตัวมีมานะทิฐิอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากเปลี่ยนเขานะอยากให้เขาไม่มีมานะทิฐิพอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ต่อไปมีใครอยากจะถาม ส่งไมกับมาไหนดิคำถามจากทางบ้านนะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งคนที่นอนไม่รู้สึกตัวจิตของเขารับรู้หรือรู้สึกอะไรไหมคะแล้วแต่สติของเขาเนี่ยก็มีสติมากสติน้อยคนที่นอนหลับเลยก็จะไม่รับรู้อะไรทางทางร่างกายเลยแต่จะไปรับรู้ทางทางใจ นอนแล้วก็รับรู้เรื่องที่กำลังฝันอยู่ฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างจะแล้วแต่บุญกับบาปที่ฝันดีเพราะเป็นบุญเป็นผู้ผลิตถ้าบาปถ้าฝันร้ายก็เป็นบาปเป็นผู้ผลิตเ yeah. yeah. นงั้นก็อยู่ที่สติวาเวล า, ว, ลาว่าเวลาร่างกายมันไม่ทำอะไรมันนอนเฉยๆจะมีสติหรือไม่ถ้ามีสติก็จะรู้สึกตัวรู้สึกว่ากาลัง ได้ยินเสียงกำลังอะไรต่างๆคำถามที่สองคนที่ตายไปแล้วถ้าไปสวรรค์ไปเสวยสุขแล้วเวลาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เมื่อหมดบุญเลยเป็นศูนย์ใช่ไหมคะหรือยังมีบุญเหลืออยู่บ้างบุญเท่ากับบาปใช่ไหมค ะ, ะบุญเท่ากับบาปมันไม่ศูนยะ์เนอะเพราะว่าเราทำทั้งบุญทาทั้งบาปแล้วเวลาเราไปสวรรค์นี้เป็นเพราะว่าบุญมันมีมากกว่าบาป มันมีกำลังมากกว่าแต่พอกำลังของบุญมันลดลงมาเท่ากับบาปมันก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้แต่มันกมน็มันก็ลงไปอบายไม่ได้เพราะบาปมันไม่สามารถดึงลงไปได้เพราะยังมีบุญค้ำอยู่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ดูที่บุญกับบาปว่าอันไหนมากกว่ากันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ควบุญกับบาปเท่ากันก็จะมารอเข้าคิวเป็นมนุษย์นะพอได้ร่างกายก็มาทำบุญทำบาปกันพอร่างกายตายไปบุญกับบาปก็จะมาดึงจิตให้ไปในทางทางใดทางหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมระดับพระอริยะคือมากาจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาแล้วเราก็จะกาจัดตัวที่ยดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อย คำถามต่อไปจากคุณอ ร, รยากราบนมัสการเรียนถามเจ้าคะ่ะที่ท่านพระอาจารย์ได้สอนเมื่อครู่ว่าคนที่เป็นอสุรกายในชาตินี้ขณะที่เป็นคนได้แก่พวกที่ถูกจองจําในคุกอยากเรียนถามว่าถ้าหากนักโทษคนนั้นเขาถูกใส่ความให้เป็นแพะรับบาปจัดว่าตัวเขาเองก็เข้าข่ายอสุรกายไหมคะเมื่อเราไม่ได้พูดว่าเป็นอสุรกายที่ติดคุก พวกที่ติดคุกส่วนใหญ่เป็นพวกโดยราจฉานพวกที่ทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปนะไม่มีใครสั่งสอนไม่มีใครอบรมคิดอยากจะได้อะไรก็ทําตามความอยากของตนคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรตายแล้วศูนพวกนี้ก็คิดว่าตายแล้วศูนย์เขาคิดว่าผลบาปไม่มีมีแก็แค่ติดคุกเท่านั้นเองเขาก็ยินดีที่จะทําเขาก็ทําแบบ เดลฉานพวกที่เป็นอสุรกายนี้เป็นพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวเช่นกลัวเขาจะมาฆ่าเราเราก็เลยไปฆ่าเขาก่อนอย่าเรี้ยพวกนี้เป็นทําบาปด้วยความกลัวทีนี้คนที่ไปติดคุกนี้ก็อาจถ้าเขาทําทําบาปด้วยความกลัวจิตใจของเขาก็เป็นอสุรกายเช่นเขาไปฆ่าคนนู้นกคนนี้เพราะกลัวเขาจะมาฆ่าเรากลัวเขามาทำร้ายเราเอ อย่างนี้ก็จะเป็นอสุ ร, รกายส่วนที่คนถามเมื่อกี้นี้เขาถามว่าอะไรนะลองตอบคําถามอย่างอื่นอันนี้ต้องการเคลียร์ความเข้าใจที่เขาพูดว่ามันเราไม่ได้พูดว่าคนที่ไปติดคุกนี้ต้องเป็นอสุ ร, รกายหรือไม่ครับเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นอสุ ร, รกายก็ได้เป็นเปรตก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหตุผลว่าทําด้วยความโลภความรักความชังหรือความกลัวครับเขาถามต่อไปว่าถ้าหากนักโทษคนนั้น เป็นแพรับบาปเนี่ยครับตัวเขาเองก็จะเข้าข่ายเป็นอสุรกายหรือเปล่าครับไม่เป็นหรอกถ้าใจเขาไม่เป็นก็ไม่เป็นเพียงแต่ว่าเขาถูกถูกแบบว่า ถูกดำเนินความโดยไม่ถูกต้องถูกยัดข้อหาหรือกดหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นวิบากอย่างหนึ่งแล้วกันของการมาเกิดเป็นอุบัติเหตุทางทางการมาเกิดก็ได้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราแต่มันก็อาจจะถูกเขากันแกล้งได้ yeah. คําถามต่อไปจากคุณอปอกราบนาัสการพระอาจารย์ค่ะ พี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมต้องรับการผ่าตัดแต่พี่สาวปฏิเสธการรักษาทางแผนปัจจุบันทั้งหมดและจะไปรักษาทางเลือกอย่างเดียวลูกควรใช้หลักธรรมข้อใดในการโน้มน้าวเพื่อให้พี่สาวรับการรักษาโดยการผ่าตัดก่อนแล้วจึงไปหาแพทย์ทางเลือก อ, อ๋อไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องจิตใจของเขาเราจะไปโน้มน้าวเขาอย่างไรถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่มาอางนั้นก็ ต้องดูว่าเขาต้องการอย่างไรแล้วก็ถ้าเราพูดด้วยเหตุผลทุกต่างๆแล้วถ้าเขายังไม่เอาก็จบอย่าไปบังคับเขาเพราะเรามองมุมกลับบ้างถ้าเราเป็นเขาแล้วเรามีความตั้งใจที่จะทำแบบนี้แล้วคนอื่นจะมาคอยล้มความตั้งใจของเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็า จ, จะราคาญก็ได้งั้นก็พูด อยู่ในขอบเขตที่พูดได้พูดแล้วถ้าเขาไม่รับก็จบเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วชีวิตไม่ใช่ของเราชีวิตเป็นของเขาเขาเป็นผู้ต้องตัดสินใจว่าเขาต้องการอย่างไรกับชีวิตของเขาคำถามต่อไปจากคุณนัทพนการนำเงินที่คดโกงเขามาซึ่งคนถูกโกงนั้นย่อมเดือดร้อนแน่นอนแต่แบ่งส่วนหนึ่งมาสร้างพระ ให้คนไปวัดได้กราบไหว้เขาจะได้รับผลบุญผลบาปอย่างไรบ้างคะก็ได้ทั้งได้ทั้งสองอย่างได้บาปจากการไปขโมยเงินเข้าไปกงเงินเข้ามาแล้วก็ได้บุญจากการที่เอาเงินนี้ไปทำบุญมันก็ได้สองอย่างเพียงแต่ว่าบุญที่ได้มันอาจจะน้อยกว่าบาปที่ต้องไปรับผลมันหนักกว่ากัน คำถามต่อไปจากคุณสุขกายสบายใจกราบนมัส ก, การ์ครับอยากทราบว่าตอนพระอาจารย์เดินจงกรมกำหนดจิตไว้ที่ใดครับก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับสติเราก็กาหนดดูที่ร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าเราจะใช้กรรมริกรรมพุทโธก็ได้หรือเราจะใช้บทสวดมนต์ไปก็ได้ อันนี้เป็นการเจริญสติถ้าอยู่ในขั้นสติถ้าอยู่ในขั้นปัญญาเราก็จะพิจารณาทำที่เราต้องการพิจารณาเช่นต้องการพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภาษิตเราก็ดูอาการสามสิบสองของร่างกายไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตอนต้นก็ท่องชื่อมันไปก่อนก็ได้ ท้องชื่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องผืดไตปอดเป็นต้นพบอะการสามิสองพอท่องได้แล้วขั้นต่อไปก็นึกถึงภาพของอาการแต่ละการผมอยู่ไงเป็นยังไงรักษาเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงนึกถึงภาพของอาการเหล่านี้ ระดับขั้นต่อไปก็พิจารณาความเสื่อมของอาการต่างๆเหล่านี้เช่นผมต่อไปก็ต้องหงอกต้องร่วงอย่างงี้พิจารณาหนังต่อไปก็ต้องเหี่ยวนี่คือพิจารณาร่างกายเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรหรือพิจารณาการแยกสลายของร่างกายกับเคลืนสู่ ดินน้ำลมไฟไปพิจารณาเห็นว่าในที่สุดร่างกายของเราที่แท้จริงก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟดีๆนี้เองพอมันมารวมตัวเป็นผมขนเล็ดฟันแล้วเราไปยึดไปติดเข้าก็เลยไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ในที่สุดพอมันตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้จะได้ไม่ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา มันเป็นเพียงดินน้ำหลุมไฟที่เรามาครอบครองไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆต่อไปมันก็จะคลายความยึดติดคลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคลายความคิดว่าร่างกายจะอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะได้ปล่อยพอปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปต่างๆของร่างกายอันนี้ก็อยู่ขั้นปัญญา คำถามต่อไปจากคุณบุญวีแฟนผมเป็นคนตกใจเร็วมากต้องแก้อย่างไรครับผมพูดไปก็ทะเลาะกันเอล่ลๆไม่มีสติไงคนที่ไม่มีสตินี่ใจจะวู้ว่า ไม่มีหลักเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเี่มันจะพลิกง่ายแต่ถ้าเรือที่มีหางเสือนี่มันจะไม่พลิกไปมันมันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะตั้งมั่นอย่างั้ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ไปคิดในอดีตคิดในอนาคตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละใจมัน ถ้าเป็นอย่างนั้นลใจพอมากระทบหน่อยมันจะตื่นเต้นตกใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะเฉยมันจะรู้เฉยๆคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะ เวลาเราทำบุญควรเน้นที่ปริมาณบุญประโยชน์ที่เกิดกับเราหรืออ น, นิสง์ประโยชน์เกิดกับส่วนรวมดีคะถ้าต้องเสียเงินทำบุญเท่ากันจะเน้นที่ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีมากกว่าจะถูกต้องไหมเจ้าคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าจะทำบุญกับวัดนี้ให้ทำเป็นสังฆทานเป็นส่วนรวมอย่าทำกับบุคคลเพราะว่าบุคคลนี้เดี๋ยวก็ตายแต่ ส่วนรวมนี้อยู่ได้นานกว่าจึางให้ทำอะไรให้เป็นสังฆทานเช่นศาลาหลังนี้อย่าไปถวายให้เจ้าอาวาสให้ถวายเป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสตายไปเจ้าอาวาสไม่สามารถมอบให้คนอื่นได้ยังเป็นของวัดอยู่นี่เรียกว่าสังฆทานทำบุญถ้าอยากให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ต้องทำให้กับส่วนรวม เพราะว่าทำให้กับส่วนบุคคลนี้บุคคลหนึ่งไม่ถาวร อ, อายุไม่ไม่ยาวนานเหมือนกับองค์กรสองประโยชน์ที่คนหนึ่งทำให้กับคนอื่นกับองค์กรทำให้นี้ต่างกันจะบวชพระนี่พระรูปเดียวบวชให้ไม่ได้ต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปถึงจะบวชพระได้ ถ้าคอยเลี้ยงดูแต่พระรูปเดียวพอถึงเวลาจะเอาลูกหลานมาบวชกับพระรูปนี้ก็บวชไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีพระสิบรูปขึ้นไปถึงจะบวชพระได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราถวายของเป็นสังฆทานอย่างของที่ญาติโยมมาถวายนี่ทั้งหมดก็เป็นสังฆทานหมดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นของเราเราเพียงแต่ให้ว่าให้ญาติโยมมาวางไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บไว้ในส่วนกลาง ใครต้องการใครที่อยู่บนนี้ใครขาดแครนอะไรก็สามารถมาหยิบไปได้โดยไม่ต้องมาขออนุญาตใครเพราะถือว่าเป็นของทุกๆคนที่อยู่บนเขาเนยคำถามที่สองครับโยมเข้าใจว่าถวายอาหารเป็นสังฆทานได้อ น, นิสงฆ์มากเพราะพระทั้งวัดได้ประโยชน์จากอาหารที่เราถวายถึงแม้เราจะมีปัจจัยจำกัดก็ตามโยมเลยเข้าใจว่าน่าจะเน้นที่อ น, นิสง์ก่อนไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะ ก็มันได้ทั้งสองอย่างคือเราทำเราก็ได้บุญอยู่แล้วปริมาณการเสียสเสียสละของเรามันจะบอกถึงผลที่เราได้รับบุญที่เราจะได้รับมากน้อยอยู่ที่การเสียสละของเราว่าเราเสียสละมากหรือน้อยส่วนประโยชน์ของผู้รับนี่ก็อยู่ที่ว่าเราให้ให้ผู้รับแบบไหนหรือให้ผู้รับชนิดใดว่าเราสามารถให้ให้ได้กับคนทุกแบบ ให้กับโรงพยาบาลก็ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งให้กับโรงเรียนก็ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งให้กับวัดกับาศาสนาก็ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งดังั้นมันก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราเห็นว่าประโยชน์อันไหนสำคัญกว่ากันเราก็เลือกเอาหรือเราก็ต้องดูด้วยว่าบางทีประโยชน์ที่เราเห็นว่าสำคัญมันมีมากเกินไปก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์มากกว่านั้นก็เราก็ไปทาที่อื่นเช่น บ, บางวัดนี้มี มีมีความมีความพร้อมทุกอย่างเหลือเฟือทําไปก็ไม่ได้ทําให้ความพร้อมมากไปกว่านั้นก็เอาไปทําที่อื่นดีกว่าไปทําที่เขาขาดแคลนที่เขาเดือดร้อนดีกว่าถึงแม้ว่าประโยชน์ของวัดจะสําคัญกว่าก็าตามแต่เมื่อทําแล้วมันไม่ได้เพิ่มประโยชน์ให้กับวัดแต่อย่างใดก็เอาประโยชน์นี้ไปทําประโยชน์กับที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนดีกว่าหรือบางทีวัดเองก็อาจจะต้องไปทําเอง อย่างอย่างหลวงตานี่เวลามีคนมาทำบุญกับท่านท่านเห็นว่าประโยชน์ของทางวัดพออยู่แล้วท่านก็เอาเงินเรื่องของที่ได้มานี้ไปแจกไปทำบุญที่อื่นต่อ เพราะว่าเก็บไว้ที่วัดก็ไม่ได้ทําให้มีประโยชน์มากขึ้นแต่อย่างใดมีแต่ปริมาณแต่ประโยชน์ไม่ได้เพิ่มตามปริมาณก็เอาปริมาณที่มันเกินนี้ไปทําประโยชน์ที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนดีกว่าท่านมักจะไปแจกทานอยู่เรื่อมีของที่ถวายวัดนี่เดียวทงท่านก็ไปละ ไปดูตามวัดต่ตางๆวัดที่อดอยากขาดแคลนแต่ท่านเลือกวัดที่เป็นวัดที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินท่านไม่ได้ดูเพียงแต่ว่าต้องเป็นวัดที่อดอยากขาดแคลนเพียงอย่างเดียว ต้องดูวัดที่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ขาดการสนับสนุนอย่างนี้ท่านก็จะไปสนับสนุนหรือถ้าไม่เนั้นท่านก็ดูชาวบ้านบางทีเห็นชาวบ้านเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนท่านก็ช่วยท่านไม่ได้เลือกช่วยแต่วัดแต่พระอย่างเดียวเพราะคนเราเหมือนกันไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นเป็นคารวะก็ต้องกินเหมือนกันก็ต้องช่าคายเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัอนไปตามความเหมาะสม คำถามต่อไปจากคุณนุกกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเกิดหนูจิต ใ, ใจขุ่นมัวมากๆและยังทาใจให้ปล่อยวางกับคนที่เขาคิดไม่ดีกับหนูถ้าหนูยังไม่สามารถให้อภัยยังชังกันอยู่จะบาปหนักไหมคะแต่กำลังพยายามเจ้าคะ่ะถ้ายังไม่ได้ไปพูดไปทำอะไรยังไม่เป็นบาป <laughs> เพียงแต่เป็น อ, อกุศลสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา ก็พยายามใช้สติหยุดก็อารมณ์เหล่านี้หยุดความคิดเหล่านี้เสียพอคิดถึงเขาทีไรก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดเนี่ยต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดเนี่ยต้องพุทโธไปสวดอุติปิโสไปก็ได้นะเดี๋ยวอารมณ์ที่ไม่ดีการคิดถึงเขามันก็จะหายไปแล้วต่อไปเราก็จะลืมเรื่องเขาไปได้คําถามต่อไปจากคุณลลิดา กราบถามพระอาจารย์มีชาวพมา่าถามโยมว่าถ้าเราเกิดมาแล้วอะไรสำคัญที่สุดเจ้าคะใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะใจของเราเป็นสิ่งเดียวท่านั้นที่ไม่ตายนอกนั้นต่อให้เป็นสิ่งอะไรที่สำคัญขนาดไหนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายมันก็ต้องหมดไปถ้ามันไม่หมดเวลาร่างกายเราตายมันก็ถือว่ามันหมดจากเราไป นั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือใจเพราะใจเราไม่ตายแล้วใจของเรานี้จะต้องไปรับผลกระทบที่เกิดจากการกระทำต่างๆของเราทำบุญก็จะได้รับผลกระทบที่ดีทำบาปก็จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแล้วถ้าเราไม่ต้องการกลับมาเกิดเราก็ต้องกำจัดเหตุที่ทำให้ใจของเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆ ฉย่งนั้นไม่มีอะไรที่จะสำคัญกว่าการดูแลรักษาใจให้มีแต่ผลกระทบที่ดีต่อจิตใจคืออยากทำตามที่พระเจ้าสอนให้กระทำสามข้อนี้เองคือรับละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ส, สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสมชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นการกระทำเพื่อให้ใจของเราได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ใจของเรานี่เป็นเครื่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันเป็นตัวเรานี่เองเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเรามาเราอยู่ที่ใจแล้วออกมาจากใจนี่เองคำถามต่อไปจากคุณทิพาพานกราบนมัสการพระอาจารย์ขอเรียนถามว่าการที่เราไม่สะดวกทำบุญด้วยตนเองจึงฝากเพื่อนทําบุญโดยขอให้เพื่อนออกเงินให้ก่อนแล้วใช้คืนภายหลังเมื่อได้พบกันนานหลายเดือนค่ะ การทำบุญเช่นนี้จะได้บุญหรือไม่อย่างไรเจ้าคะถ้ายังไม่ได้พากกระเป๋ายังไม่จ่ายเงินก็ยังไม่ได้ถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก่อนบุญที่เราบอกให้เขาทำไ ม, ไม่ได้เป็นของเราเป็นของคนที่ก็ทําไปคําถามต่อไปจากคุณพีโกกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผู้หญิงที่รักสวยรักงามไม่ว่าปรุงแต่งร่างกายมากแค่ไหนก็มีความแก่มาเยือนทำไมผู้หญิงจึงมองไม่ออกเรื่องนี้ครับทั้งที่ได้ยินเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่คิดบ่อยๆนานๆเห็นทีนานๆ น, น, นึกทีแล้วก็ลืมแล้วก็กลับไปคิดแต่ความสวยความงามก็เลยลืมกันแบบพวกเราทุกคนลืมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราหมั่นนึกอยู่เรื่อย ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากการไปไม่ได้แต่เราไม่คิดกันพอเราไม่คิดกันมันก็เหมือนกับ ว, ว่ามันมันไม่มีมันไม่เป็นเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ของเราเป็นอย่างนี้จะสาวเป็นสาวล้านปีให้พรโยมคนไหนก็ยิ้มนุกถีบอกบาไม่รู้รวยเขายิ้มทันทีเลยขอให้บาไม่รู้รวยสวยไม่สาง สาธู่สาธู่กันใหญ่ทั้งๆที่มันช้าไงมันมันมันมันส่างช้ามันมันโรยช้ามันไม่เหมือนดอกไม้ดอกไม้นี่ปักจจกันสักสองสามวันมันก็เฉาแล้วมันก็เหี่ยวแล้วแต่ร่างกายของคนมันใช้เวลาเป็นสิบสิบปีมันก็เลยทำให้หลงว่ามันจะไม่แก่ ถึงต้องมองคนแก่อยู่เรื่อยๆแล้วนึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยแม่ของเรายายของเราเนี่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเรานะเขาก็สาวเหมือนเราเป็นอย่างนี้เหมือนเราแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเราก็เหมือนกันเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยต้องพิ จ, จารณาถ้าไม่พิ จ, จารณาไม่คิดมันจะลืมมันจะหลงคําถามต่อไปจากคุณพัยบุ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมขายของชำรวมทั้งขายสุราบุรีที่กับดักหนูอย่างนี้จะผิดศีลไหมครับออไม่ผิดศีลแต่ผิดอาชีพไม่ควรจะทำอาชีพแบบนี้เพราะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการฆ่าการทำร้ายผู้อื่นกับดักหนูก็เดี๋ยวก็จะไปจับหนูฆ่าหนูได้สุราก็ทำให้คนมึนเมาแล้วอาจจะไปขับรถชนคนตายได้ ยิ่งถ้าไม่มีขายของพวกนี้เขาก็จะได้ไม่ไปอไปทําบาปต่อไปแต่เราไม่บาปเราไม่ได้เป็นคนทําเองแต่เราเป็นคนมีส่วนสนับสนุนในการทําบาปซึ่งมันจะกลับมาหาเราก็ได้คนที่เราขายสุราให้เรามันอาจจะขับรถมาชนเราก็ได้คําคถามต่อไปจากคุณธนทัศน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ อยากทราบว่าจุดประสงค์ของการทำวิปัสนาคืออะไรครับการศึกษาศึกษาความจริงวิปัสนาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เราเห็นแต่เราลืมเนี่ยเช่นเราลืมความแก่ความเจ็บความตายเราก็เลยต้องวิปัสน า, า, า, า, าก็คือต้องนึกบ่อยๆตอนต้นต้องวิปัสนากก่อนนึกบ่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพัดนากจากกันพอนึกบ่อยๆพอมันจาได้มันก็จะกลายเป็นวิปัสนาขึ้นมา ตอนต้นต้องอาสายวิปัสสนึกก่อนวิปัสสนึกก็คือพิจารณาอยู่เนืองเนืองให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วไม่จากเป็นก็ต้องจากตายให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ทำให้เราไม่หลงไม่ดื้อคาถามต่อไปจากคุณประกรณ์ศิษฐ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เทพเทวดาสามารถบรรลุธรรมได้สูงกว่าชั้นพระโสดาบันไหมครับได้ถ้าเขาปฏิบัติต่ออยู่ที่เขาว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจิตนี้สามารถปฏิบัติได้ถึงแม้ไม่มีร่างกายแต่ถ้าไม่มีคนครูคอยมาสอนมาเตือนเขาอาจจะไปไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้ทางด้วยว่าเขาต้องไปเจอความทุกข์ก่อน ถ้าไปเจอความทุกข์แล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อ น, นี่เป็นความทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องอย่ามาทางนี้เช่นไปติดแฟนไปรักคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวเกิดการพัดภาคจากกันเขาจะรู้ว่าอ๋อการมีแฟนนี่ไม่ดีอย่ามีดีกว่าเขาก็จะพยายามเลิก ทุกครั้งที่เขาอยากจะมีแฟนเขาก็ต้องคิดถึงแฟนที่ไม่สวยไม่งามดูส่วนร่างกายของแฟนที่ไม่สวยไม่งามก็จะทำให้เขาไม่รับแฟนไม่อยากมีแฟนได้แล้วต่อไปเขาก็จะเลิกมีแฟนเขาก็จะกำจัดกามอารมณ์ได้เขาก็จะพัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้นไปตามลาดับได้คำถามต่อไปจากคุณวินไม่ทราบว่าคนธรรมดาที่ถือศีลห้าเมื่อตายไป ติดอยู่ในนิพพานได้ไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกสิห้ามทำได้อย่างมากก็กลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแม้จะไปเป็นเทวดาก็ยังเป็นไม่ได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณเคอาการฝึกสมาธิควรปฏิบัติอย่างไรสติจึงจะอยู่ในสมาธิได้ต่อเนื่องนานๆไม่หลุด เปรียบเหมือนสัญญาณไม่นิ่งแบบสัญญาณโทรศัพท์ค่ะก็ต้องฝึกบ่อยๆลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยพยายามให้มันมีสติอย่างต่อเนื่องในทุกขิยาบทของการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับร่างกายร่างกายทําอะไรก็ผูกมันติดไว้กับร่างกาย ให้ทำพร้อมๆไปกับร่างกายร่างกายแปลงฟันใจก็แปลงฟันไปด้วยอย่าปล่อยให้ร่างกายแปลงฟันแล้วใจก็ไปคิดถึงขนมคิดถึงเพื่อนคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปก็จะมีสติอย่างต่อเนื่องและเวลานั่งสมาธิก็จะไม่พังเผลอจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคาถามต่อไปจากคุณดิตยา ตอนนี้จิตใจท้อแท้และหดหูมากค่ะพยายามนั่งสมาธิแต่พอสติหลุดมันก็กลับไปหดหูเหมือนเดิมจะต้องทำอย่างไรให้เรามีกำลังใจคะต้องพยายามาดึงใจด้วยสติดึงใจกลับมาด้วยสติถ้าดึงมาไม่มีกำลังดึงมาก็อาศัยฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธา การฟังธรรมก็จะช่วยให้เรามีกําลังจิตกําลังใจได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วอาการหดหู่อาการท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไปได้เวลาฟังธรรมจะทําให้เราเกิดมีกําลังเพราะได้ยินได้ฟังธรรมแล้วมันเกิดเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ําเห็นได้เวลาเราท้อแท้ไม่มีกําลังจิตกําลังใจก็ฟังธรรมแต่ต้องเป็นธรรมของพระปฏิบัติถ้าเป็นธรรมแบบ ที่เป็นตำรานี้อาจจะไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการฟังธรรมจากาพระปฏิบัตินะีหรือถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเองโดยการบารลีกรรมพุทธโธพุทธโธหรือสวดมนต์ไปนานๆอย่าขี้เกียจขยันสวดมนต์ไว้ขยันพุทธโธไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งกําลังใจก็จะกลับฟื้นขึ้นม า, าคําถามสุดท้ายนะีย ค, คำถามจากคุณยาววิญญาณผู้ตายมาบอกเพื่อนในความฝันว่าเขาตายแล้วไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีที่ไปเคว้งคว้างอยู่เพราะบุญกรรมพอๆกันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คืออะไรเจ้าคะก็คือเรื่องที่เขาพูดนะจะคืออะไรจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ความฝันนี้มันอาจจะฝันคิดไปเองก็ได้ เหมือนเขียนนิยายแต่งขึ้นมาเองหรือเป็นความจริงก็ได้มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างก็เป็นก็เป็นเรื่องของคุยยานดวงนั้นไปเราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้พอเขาไม่ทาบุญไม่ทาอะไรเขาก็ไม่มีทิศทางที่จะไปเขาว่ารอเกิดเป็นมนุษย์มถ้าไม่มีไม่มีบาไม่มีบุญพาไปก็รอไปรับร่างกายอันใหม่ก็ดีกว่าไปอาบายให้คิดอย่างนี้